เคยพูดไปแล้วว่าคนเราทุกข์ก็เพราะความอยากความยึดแล้วก็สิ่งที่อยากแล้วก็ยึดมันก็หนีไม่พ้นสองอย่างก็คืออยากมีกับอยากเป็นอยากมีไม่ว่าจะ มีทรัพสมบัติหรือว่ามีอย่างอื่นเช่นมีสุขภาพดีหรือว่ามีชื่อเสียงกิตติยศอำนาจนะเพียงแค่อยากมันก็ทุกข์ละเพราะว่ามันก็ดินหล่นที่จะต้องหามาหามาได้แล้วก็ ก็ยังทุกข์อีกในการรักษาถ้าไม่ได้ก็ทุกอยู่แล้วแต่แม้ได้มาก็ยังทุกอยู่ในการรักษาและเมื่อมันสูญมันเสียไปนะก็ยิ่งทุกข์จริ ง, รงตอนที่ยังไม่เสียไปมันก็เริ่มทุกข์แล้วล่ะ เพราะว่าอะไรก็ตามที่เรามีแม้มันจะให้ความสุขแก่เราแต่ว่าพออยู่ไปนานๆให้ความสุขนั่นก็จืดจางลงอาหารไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนมันก็อร่อยเฉพาะคำแรกๆหรือว่ามื้อแรกๆ แต่ว่าพอกินไปทุกมือ้อทุกมือ้อไม่เปลี่ยนรสชาติอาหารนาจะเป็นอาหารหรูอาหารเหล่นะแต่พอกินไปติดติดกันสักห้ามือ้อสิบมือ้อนะไอความอร่อยก็ค่อยๆจืดจางเริ่มเบือ่อแล้วก็ถ้ากินนานแบบนนั้นก็จะเริ่มเอียนนะ ความไม่อร่อยมันก็เข้ามาแทนที่ความอร่อยเพลงที่เพลาะก็เหมือนกันหนังที่ดูแลสนุกมันก็เพลาะตอนฟังได้สองสมครั้งแรกหรือว่าสิบครั้งแรกนะพอหลังจากนั้นก็ความเพลาะก็ค่อยๆจืดจางหนังก็เหมือนกันนะดูไปก็สนุกรอบแรกสองรอบแรกนะแต่ว่า หลังจากนั้นก็เริ่มไม่สนุกแล้วพอะไม่สนุกทำไงก็อยากได้อันใหม่อยากได้ซีดีแผ่นใหม่อยากได้ม้วนใหม่อยากได้หนังเรื่องใหม่ก็ความทุกข์ ก, ขก็เริ่มเกิดขึ้นอีกเป็นไอ้ความ ความทุกข์นี่มันมันมันเจือแฝงมาเพราะกับความสุขในสิ่งที่เรามีนะอันนี้สมมุติว่าได้อย่างที่ต้องการแล้วนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขทําไมคนมีเงินร้อยล้านพันล้านถึงอยากมีอีกทําไมถึงอยากได้อีกทันะ้ทั้งที่เขาก็อาจจะรู้ว่า กินทั้งชาติมันก็ไม่หมดมีหมื่นล้านก็อยากได้หมื่นที่สองอีกมีแสนล้านก็ยังไม่พอก็ยังอยากได้แสนที่สองอีกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่มีนั้นเนี่ยมันพอมีไปแล้วมันก็เริ่มรู้สึกจืดจางอยากได้ใหม่ ความการมีเนี่ยมันให้ความสุขน้อยกับการได้นะคนเราส่วนใหญ่ก็ต้องการความสุขจากการได้ความสุขจากการมีเนี่ยมันจืดจางง่ายมีกี่ล้านกี่ล้านก็ยังอยากได้อีกล้านหนึ่งเพิ่มขึ้นมามีกี่แสนกี่แสนก็อยากอยากได้อีกแสนหนึ่งเพิ่มขึ้นมา ในว่าจะมอีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะได้ของใหม่ธรรมชาติคนเราเป็นอย่างนั้นที่จริงธรรมชาติของสัตว์ก็อย่างนั้นด้วยเวลาเดินมีระบาทเคยมีหมามันตามมาก็โยนเข้าเหนียวให้มันมันก็มันก็งับ มันไม่ทันจะลืนเลยเราโยนข้าวเหนียวก้อนที่สองให้มันมันคายก้อนแรกแล้วมันก็ไปไปงับไปกินก้อนที่สองสิ่งที่มีให้ความสุขน้อยกว่าสิ่งที่ได้มาใหม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็แม้สมอยากแล้วก็มันมันก็ไม่สมอยากจริงๆพอมีแล้วก็เริ่มเบือ่อ อยากได้อันใหม่อันนี้ยังไม่มงพูดถึงการเสียเพราะว่าในสุดสิ่งที่เรามีมันก็ต้องเสียไปเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่ให้ความสุขกับแรงเดียวมันก็ให้ความทุกข์แก่เราไปพร้อมๆกันหรือว่าไล่เรียกันหรือว่าอาจจะให้ความทุกข์ก่อนด้วยซ้าเคยมีเทวดา พูดกับพู้เจ้าว่านะมีบุตรก็มีความสุขเพราะบุตรนะมีทรัพย์ก็มีความสุขเพราะทรัพยนะ์มีวัวก็มีความสุขเพราะวัวพระเจ้าก็กล่าวโต้ๆๆว่ามีมีบุตรก็เป็นทุกข์เพราะบุตรนะมีทรัพย์ก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์ นะมีวัวก็เป็นทุกข์เพราะวัวคือสิ่งที่ให้อะไรที่ให้ความสุขแก่เรามันก็สามารถจะให้ความทุกข์แก่เราไปพร้อมๆกันอันนี้ไม่ได้รวมถึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะทรัพย์สมบัติเท่านั้นอาจจะรวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นอำนาจชื่อเสียงหรือแม้แต่ร่างกาย ร่างกายที่ให้ความสุขแก่เราไม่ช้าไม่นานก็อาจจะให้ความทุกข์แก่เราเพราะว่าถึงเวลาที่มันเริ่มป่วยเริ่มเจ็บนะตอนนี้แหละความทุกข์ละตอนที่สุขภาพดีอยู่มันก็ให้ความสุขสแก่เราอวัยวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ให้ความสุขสบายแก่เราแต่พอถึงเวลามันผิดปกติเช่นเป็นมะเร็ง ตอนนี้แหละก็กลายเป็นความทุกข์ทันทีสิ่งที่เคยทำให้เราภาคภูมิใจรูปร่างหน้าตาพอมันแก่พอมันมีริ้วมีฝ้ามีตกกระหรือว่าเหี่ยวยน่นก็กลายเป็นให้ความทุกข์แก่เราทันทีแลพวกดาราที่เขาเคยมีความภาคภูมิใจมีความสุขกับร่างกายของเขาพอแก่ตัว ให้ร่างกายนั่นแหละที่กลายเป็นที่มาแห่งความทุกข์ของเขาเพราะว่าผมเริ่มงอนะผิวเริ่มเหี่ยวยน่นร่างกายก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นไม่มีอะไรสักอย่างที่ให้ความสุขกับเราแล้วมันไม่ให้ความทุกข์ตามมา <c oughs> แต่มันก็ไม่มันก็ไม่สําคัญนะมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปยึดมัน เช่ร่างกายนี้เนี่ยมันถ้าเราไม่ไปยึดว่ามันสวยมันจะต้องสวยไม่ต้องต้องหนุม่มต้องสาวจะต้องมีสุขภาพดีไปตลอดถ้าเราไม่ยึดอย่างนั้นนะเวลามันเสื่อมไปเราก็ไม่ทุกข์เราก็ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาทรัพย์สมบัติที่มันให้ความสุขกับเราอาหารที่มาให้ความป็นเด็ดอร่อยแกเรา ถ้าเราไม่ไปยึดมันนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปลหลงไหลได้เปลืองอะรสชาติของอาหารพอรสชาติอาหารมันแปลเปลี่ยนที่จริงมันไม่ได้แปลเปลี่ยนหรอกอาหารก็รสชาติเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกของเรามันแปลเปลี่ยนไปเองเพราะความรู้สึกเบือ่อความรู้สึกอยากได้อันใหม่ปัญหาวิธีใจของเรา พอไปยึดมันเอาไว้ไปยึดรสชาติไปยึดความสุขว่าความสุขที่ได้จากอาหารเนี่ยต้องเที่ยงหรือว่าจะต้องมากกว่าเดิมแต่ความจริงมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงตราใดที่ยังไปเสพไปคุ้นกับของเก่ามันก็เลยทุกข์ขึ้นมาเลยเพอเริ่มไม่สมอยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาไม่ไม่ได้ยูดที่การมีนะถ้ามีให้เป็นก็ไม่ไม่เป็นทุกข์แต่มีไม่เป็นนะ่ะคือมันไปยึดเอามีแล้วยึดมันก็เป็นทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่หรืออะไรก็ตามยึดคื อ, อยึดเป็นของเรานะยึดว่าเป็นของเราพอคนหนึ่งเขาออกไปเราก็ทุกข์แต่ถ้ามันสูญไปเสียไปโดยที่เราไม่ได้ยึดว่าเป็นของเรา มันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหามีลูกมีสามีก็เหมือนกันมีก็ให้ความสุขแก่เราแต่เวลาเขามีอันเป็นไปขึ้นมาหรือว่าเขาไม่เชื่อฟังเราเราก็ทุกทันทีเพราะเราไปยึดเอาไว้ถ้ามีโดยไม่ยึดนี่มันก็ทำได้นะมีโดยไม่ยึดนี่ก็หมายถึงความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ว่า มันอยู่กับเราเราก็ใช้ประโยชน์จากมันแต่ว่าก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงขณะเดียวกันก็ดูแลรักษามันตามตามหน้าที่อย่างที่พูดเมื่อวานมีโดยไม่เยอะเพื่อมีแบบปล่อยวางแต่ว่าก็ยังดูแลใจใสเป็นก็เหมือนกันนะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่า แม้จะเป็นสิ่งดีๆก็ไม่ใช่ว่ามันจะให้ความสุขแก่เราเสมอไปเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเก่งเป็นคนดีหรือว่าเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายรัฐมนตรีแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันก็ถ้าไปยึดเมื่อไหร่มันก็ทุกข์นะ ไปยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เพราะว่าเป็นแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปยึดก็คือว่าเรามีกิเลสในทางพุทธ ศ, ศาสนาเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นว่าเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาการที่เกิดพบเกิดชาติเพราะมันมีอุปท า, านพอมีอุปท า, านแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เป็นเนี่ยมันก็เจอด้วยกิเลส แล้วว่ามีกี่แหลที่ไหนก็มีความทุกข์ที่นั่นไอ้ความยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่นี่แหละที่มันทำให้เราทุกขนะ์แม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ก็ทุกข์ได้ทุกอย่างพ่อทุกอย่างคนเป็นแม่เคยเล่าให้ฟังแล้วพ่อที่เป็นคนดีธรรมะธรรมโมก็อยากจะให้ลูกดีเหมือนตัว แต่ลูกนี่ก็ไม่ค่อยรรทำมะทมโมเท่าไหร่เป็นลูกวัยรุ่นพ่อก็อยากจะให้ลูกดีก็พยายามเขี่ยวเข็นพยายามพูดจา ส, สั่งสอนพอลูกไม่ไม่ทำตามก็ดุดา่าก็เลยเกิดการทะเลาะ ก, กันไม่มองหน้ากันไม่พูดคุยกันแลววันหนึ่งลูกก็ไปขับรถที่พ่อซื้อให้ ไปบ้านเพื่อนตอนเย็นลูกยังเรียนหนังสืออยู่นะพ่อก็ไม่พอใจก็ไปไปตามแล้วเอารถกลับมาก็เลยทะเลาะ ก, กันกับลูกทะเลาะไปทะเลาะกันมาพ่อคงโกรธมากลูกเถียงพ่อลูกด่าพ่อลูกไม่ดีเหมือนพ่อพ่อเลยเอาปืนยิงลูกตายแล้วก็ยิงตัวเองตายนะอันนี้พร่อความยึดว่าฉันเป็นพ่อ แกเป็นลูกแกต้องเชื่อฉันแกต้องดีเหมือนฉันแกต้องดีอย่างที่ฉันต้องการนะอันนี้เป็าความยุติดในความเป็นพ่อมันก็สามารถจะทำร้ายลูกและทำร้ายตัวเองได้เป็นแม่ก็เหมือนกันแม่คนหนึ่งเขาเห็นลูกเอาแต่เล่นเกมออนไลน์เล่นวิดีโอเกมอยู่คอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ต ไม่ค่อยเรียนหนังสือบางทีก็นอนดึกก็เลยก็เลยก็เลยว่าลูกทีแรกก็จะพูดดีๆแต่หลังลูกไม่ฟังก็เลยว่าว่าลูกก็เถียงเถียงไปเถียงมาลูกไม่คุยกับแม่แม่ก็เสียใจเสียใจก็ไม่รู้ทำไงจะให้ลูกคุยกับแม่ก็บอกว่าถ้าแม่ไม่พูดกับลูกถ้าลูกไม่พูดกับแม่แม่จะ แม่จะโดดตึกนะให้ลูกมันก็ไม่ใจแข็งมันก็ไม่พูดกับแม่แม่ก็เสียใจก็เลยโดดตึกลงมาจากหน้าต่างจากระเบียงตาย น, นี่ก็เพราะความยึดการยึดในความเป็นแม่เป็นแม่ก็ทุกข์ที่ลูกไม่ไม่เชื่อฟังที่จริงก็ทุกข์เพราะหลายอย่างนะแต่เรื่องทุกข์เพราะไม่ลูกไม่เชื่อฟังนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งยึดในความเป็นแม่เท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ที่ลูกไม่เชื่อฟังก็เสียใจเสร็จแล้วก็ทําร้ายตัวเองเพราะความเสียใจเพราะความผิดหวังนั่นเป็นเป็นอะไรก็ตามแี่เราต้องระวังนะมันไม่ใช่ว่าจะดีไปสมดใครๆก็บอกว่าเป็นคนเป็นคนไม่หล่อไม่สวยนี่ไม่ดีหรือว่าเป็นโจรมันไม่ดี นะเป็นคนแพ้ไม่ดีไอ้คนเป็นคนชนะมันก็มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ทำให้ทุกข์ได้เพราะว่าจะคอยหวั่นกลัวอยู่เสมอว่าจะมีคนมาแย่งชิงตำแหน่งนะจะมีความทุกข์กลัวคนจะมาแย่งชิงตำแหน่งไปพวกดาราพวก นางแบบที่สวยๆมีเงินมีทองมหาศาลเนี่ยผู้นี้ก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์ว่าจะเป็นดาราจะเป็นนางแบบยอด น, นิยมไปอีกนานเท่าไหรนะ่เพราะว่ามันเปลี่ยนกันเร็วพออยุสักยี่สิบห้าสามสิบก็หมดอนาคตแล้วก็ต้องไปเป็นอย่างอื่น ก็จะกลัวรุ่นน้องกลัวคนรุ่นใหม่จะมาแซงก็เป็นความทุกข์ของคนที่นะประสบความสำเร็จนะคนเก่งคนดีคนสวยก็จะต้องมีความหวั่นกลัวอันนี้ถ้ายึดนะถ้าไม่ยึดติดมันก็ไม่มีอะไรแล้วคนเราเนี่ยมันพร้อมจะจะปรุงแต่งความเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ตลอดเวลา และพอปรุงเป็นนั่นเป็นนี่แล้วเนี่ยมันก็ถูกกระทบง่ายมันไม่ใช่ให้ใหความสุขกับเราอย่างเดียวมีคนนึงก เ, เป็นเป็นมีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็เป็นวิทยากรได้รับเชิญไปพูดตามที่ต่างๆแกเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเท่าไหร่ทุกเช้าภรรยาก็คอยคอยแนะนา เช่นแนะนำให้หวีผมเวลาจะออกไปทำงานก็จะแนะนำให้วีผมแนะน ำ, น, ะ น, ำนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยแกก็ลาคาญบางวันอารมณ์ไม่ดีแกก็หงุดหงิดแล้ววันหนึ่งเนี่ยภรรยาก็า ก, ก็พูดอีกว่าให้หวีผมก่อนแกชูนขึ้นมาในใจเลยว่ามึงเป็นใครกัน มึงไม่รู้หรือว่ากูเป็นวิทยากรระดับชาติทําไมมาพูดอย่างนี้กับกูเ <c oughs> นี่ยผัวพูดั <c oughs> ผัวเนี่ยนึกอย่างนี้กับเมียนะดีที่ไม่พูดออกไปนะคือท่านคือเขาพอเขาเป็นวิทยากรระดับ <c oughs> ได้รับเชิญไ ป, <c oughs> ไ, ปไปที่ไหนที่โน่นที่นี่บ่อยๆเนี่ยมันก็สร้างตัวกูขึ้นมาอีกแบบหนึง่งไม่ใช่เป็นตัวกูที่เป็นผัวเป็นข้าราชการเท่านั้นนะแต่เป็นตัวกูที่เป็นวิทยากรระดับชาติ ได้ตัวกูนี่แหละที่มันไม่พอใจที่ถูกแฟนเนี่ยทักเรื่อง เ, อเรื่องหวีผมนะแต่เพิ่นเขาก็มีสติเขาก็รู้ทันไอ้ตัวกูตัวนี้เขาก็วางได้นะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นได้ถึงขนาดนี้แอ้คนเราเนี่ยพอพอทําอะไรขึ้นมาเนี่ย ทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะสร้างตัวกูขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนไทยเป็นคนกรุงเทพนะเป็นข้าราชการเป็นวิทยากรระดับชาติเป็นคนดีมันก็ปรุงขึ้นมาหลายหลายชั้นและแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ก็พร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เป็นคนดีก็ทุกข์นะถ้าไปยึดมันอะ คนดีมักจะทุกข์ว่าทําไมฉันทําดีแล้วไม่ได้ดีทําไมคนไม่เห็นความดีของฉันนะคนคนดีมักจะคิดแบบนี้ทําไมเขาไม่เห็นความดีของฉันนะหรือว่าถ้ามีคนดีกว่าถ้าคนไปยกย่องคนอื่นว่าดีกว่าเราเนี่ยเราทุกข์แล้วเพราะเราต้องดีกว่าคนอื่นนะ ถ้าใครดีกว่าเราเนี่ยฉันเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีนะันเป็นคนดีมันก็ทุกข์นะหรือเป็นอาจารย์ก็เหมือนกันเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ก็มีคนชมยกย่องแล้วก็ปลืม้มนะแต่พอเขาไม่ไม่กราบไม่ไหวเรานะเราก็ชักขุนใจลนะอาทิตย์แรกเราก็ไม่ยอมรับว่าเราเป็นอาจารย์นะ เราก็เป็นพระธรรมดาแต่พอคนเขากราบเพราะว่าเขาเรียกว่าอาจารย์เรียกอาจารย์เรียกอาจารย์เรียกบ่อยๆมันก็ปรุงขึ้นมาว่าฉันเป็นอาจารย์แล้วก็ไปยึดเอาไว้พต่อมาเขาไม่เรียกอาจารย์เขาเรียกหลวงพี่เราทุกเลยนะทำไมไม่เรียกเราอาจารย์หน้าหน้ี่ตอนแรกเราบอกว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่แต่ว่าพอเรียกไปเรียกไปไอ้กูใช่นี่หว่ากูใช่นี่หว่าก็เลยยึดไปเลยนะ ทีนี้พอเดี๋ยวว่าแต่ว่าเขาเขาด่าเรานะแค่เพียงแค่เขาไม่เรียกว่าอาจารย์นี่ก็ทุกข์แล้วต้องเรียกพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยให้เป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ต้องพูดถึงเป็นประธานอธิบดีอ่ะทรินตันนี่เขาทุกวันนี้เขายังทําใจไม่ได้เลยนะที่เขาเป็นคนธรรมดาเขาบอกเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วสองปีที่แล้วเขาบอกแต่ก่อนเวลาเขาไปไหนตอนเป็นประธานอธิบดีเนี่ย จะมีเสียงเพลงบรรเลงคล้ายๆเพลงมหาเล็กมหาชัยอะไรเงี้ยนะของเมืองไทยคล้ายๆอย่างนั้นเขาเป็นปนาย เ, เ, เป็นประธานที่ดีมาแปดปีก็มีแตเสียงเพลงต้อนรับเวลาไปไหนมาไห น, เ, นเขาหมดจากตําแหน่งมาเจ็ดปีแล้วเขาเล่าว่าเวลาไปไหนนี่ไม่มีเสียงเพลงนี่เขาสงสัยว่าว่าไอ้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเขาเป็นใคร คือน้ำเสียงยังมีความอ่านลอยในในการเป็นประธานอธิบดีอยู่คือเป็นอะไรก็ตามก็ต้องพัดพลาดจากสิ่งนั้นไปไม่มีทางคงที่มีผู้ว่าคนหนึ่งเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่ก็ตอนเป็นก็ใหญ่นะคงจะวางกล้ามวางอวดเบ่งด้วยแหละภูมิใจแต่พอกเกษียณกลับมาบ้านก็หงอย นอยนะอยู่อยู่หลายเดือนนะเสร็จแล้ววันหนึ่งได้จดหมายได้เชิญให้ไปจังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าแกก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่รนะอคอยวันนั้นแหละที่ได้กลับไปจังหวัดที่ตัวเองเคยใหญ่มาก่อนแต่พอไปถึงวันงานไม่มีใครสนใจนะข้าราชการลุ้นูกน้องก็ไปไปเทคแคร์ไปดูแลผู้ว่าคนใหม่ นักธุรกิจข้าบาดีก็ไปประกอบประ ง, งมไปประจบประแจงผู้ว่าคนใหม่ตัวเองนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครสนใจก็มีแต่คนมาทักทายคนขับรถโชเฟอร์สมียนมาทักทยาย ม, มามากราบเอามาไหว้แต่ว่าไม่เคยมีใครมาห้อมล้อมเหมือนเมื่อก่อนปรากฏว่าเสียใจนะทำใจไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานก็เสียชีวิต ให้ความเป็นผู้ว่าถ้าไปยึดไว้เนี่ยมันทุกข์นะทั้งนั้งที่ก็น่าจะรู้ว่ามันมีเวลาที่แน่นอนของผู้นี้อย่าไปยึดเอาไว้นะให้ร่วมเป็นสมมุตินะเขาให้อะไรมาก็ก็รับเอาไว้แต่รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สมมุติมันไม่ใช่ตัวเรา ให้เอาอย่างหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนีนะ่ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านปฏิบัติตัวเหมือนกับพระธรรมดาเป็นหลวงตาธรรมดาแต่มีวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้ไปไ ป, ไปเทศในที่แห่งหนึ่งแถวมุกข์แถวฝั่งทนนะ่นนะท่านอยู่วัดละคขัง ไอที่เทเนี่ยมันเป็นก็เป็นงานใหญ่แต่ว่ามันต้องนั่งเรือเข้าไปในคลองมากอกน้อยแล้วคลองมะกอกน้อยมันก็อยู่ใกล้กับวัดละคังงานใหญ่ท่านก็ต้องเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาตาลปัดไปด้วยตาลปัดประจำตำแหน่งนะประจำประจตำแหน่งก็วางไว้ที่กลางเรือแลช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็น้ำรดด้วยเพราะท่านนั่งเรือไปน้ำในคลองมันก็แห้ง เรือมันติดติดโครนเด็กในเรือก็ลงไปลงไปลงไ ป, ลงไปเข็นเข็นแล้วไม่ไปท่านก็เลยลงไปช่วยเข็นด้วย<ต>เด็กชาวสวนมันเห็นหลวงพ่อโตกําลังเข็นเรือมันก็พูดตะโกนไปว่าสมเด็จเข็นเรือว้อยสมเด็จเข็นเรือวอย ก็คนชาวบ้านก็มาได้ได้ข่าวได้ยินก็ลงก็ออกมาขึ้นมาดูก็คงจะมาช่วยนะแต่ว่าไม่ทันจะทําอะไรหลวงหลวงหลวงพระโตก็บอกว่าก็ตะโกนขึ้นออกไปว่าฉันไม่ใช่สมเด็จจ่าฉันชื่อขัวโตจ่าสมเด็จอยู่ในเรือแล้วก็ชี้ไปที่พัดยศนะคือท่านเนี่ยไม่ได้เขาให้ท่า น, านเขาตั้งท่านเป็นสมเด็จแต่ว่าท่านไม่ได้สําคัญมัน่นหมายว่าเป็นสมเด็จด้วยท่านก็ ที่ว่ายัางเป็นขัวโตอยู่นะถ้าเรียกตัวว่าขัวโตคนสมัยก่อนก็ใช้คําว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเขาใช้คำว่าขัวท่านก็ไม่ได้รับสมอ้างว่าเป็นสมเด็จนะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่รู้สึกลังเกียจอะไรที่จะลงไปเข็นเรือกับกับเด็กวัดนะแต่คนที่ไปยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นสมเด็จเนี่ยก็จะมีความทุกข์เพราะว่านะไม่ยอมก็จะไม่ยอมลงไปเพราะว่าเสียเกียรติยศ นะแล้วก็อาจจะมีความทุกข์ที่ไม่ได้รับการปรนนิบัติดูแลเท่าที่ควรให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยอีการเป็นอะไรก็ตามนี่ให้เราตระหนักว่ามันเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราไปยึดไว้เนี่ยมันทุกข์เพราะดวยจานี้ท่านไม่เป็นอะไรเลยนะท่าไม่เป็นอะไรเลยเคยมีคนเคยมีพราหมณ์คนนึงถามเห็นท่านเดินมาส ง, ง่ามากมีราศีก็ถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือ พระพุทธเจ้าก็ตรัว่าไม่ได้เป็นเทวดาท่านเป็นคนทันหรือคนทันนี่ก็เป็นเทวดา Weird. ชนิดหนึ่งพระองก็ปฏิเสธว่าพระองไม่ได้เป็นท่านเป็นยักษ์หรือก็ไม่ได้เป็นเขาก็เลยถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือพระพุทธเจ้าก็ตรบสปฏิเสธว่าพระองไม่ได้เป็นมนุษย์ตกลงท่านเป็นอะไรนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ให้เรียกเราว่าเป็นให้เรียกเราว่าตถาคตก็แล้วกันคือไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้น แต่ถ้าจะเรียกก็เรียกวัตถาคตแล้วพระองค์อธิบายว่ากิเลสที่ทําให้เป็นนั่นเป็นนี่พระองค์ไม่มีแล้วนะกิเลสที่ทําให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นเทวดาเป็นยักษ์เป็นคนทันเป็นมนุษย์พระองค์ไม่มีแล้วก็เลยไม่เป็นอะไรนะอันเนี้ยที่ที่ที่หลวงพ่อเขียนมักจะพูดอยู่เสมอว่าไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไร คนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายถึงอะไรเคยเคยรวบรวมหนังสือของหลวงพ่อความคําเทศนาหลวงพ่อแล้วก็ตั้งชื่อว่าไม่มีไม่เป็นคนพิมพ์ก็บอกว่าตั้งชื่อนี้ดีหรือไม่มีไม่เป็นเพราะคนยังติดว่ามันต้องมีต้องเป็นอนะนะพอตั้งชื่อหนังสือไม่มีไม่เป็นก็ก็แย้งในใจนะหรือพูดขึ้นมาที่ไม่มีไม่เป็นก็คืออันนี้แหละคือว่า ไม่สําคัญมานหมายว่าฉันมีอะไรไม่สําคัญม่หมายว่าฉันเป็นอะไรเพราะว่ามันก็เป็นสมมุติทางนั้นเป็นของชั่วคราวแต่ถ้ามีก็มีให้เป็นคือมีโดยไม่ยึดถ้าเป็นก็เป็นให้ถูกก็คือเป็นโดยไม่ยึดนะอันนี้ก็รวมถึงการไม่ไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้ทุกข์ด้วยนะนะเราก็เป็นอยู่เป็นอยู่ประจําไม่ว่าจะสําคัญมานหมายว่าเป็นอะไรก็ตามแต่พอโกรธขึ้นมาก็ลืมอย่างอื่นหมด นึกแต่เองเดียวว่าฉันเป็นผู้โกรธลืมว่าฉันเป็นคนไทยหรือว่าฉันเป็นพ่อหรือว่าฉันเป็นแม่หรือว่าฉันเป็นคนดีด้วยซ้านะไปติดยึดกับว่าฉันเป็นผู้โกรธฉันเป็นผู้เครียดนะฉันเป็นผู้พอใจผู้ยินดีคนเรานี่มันจะจะเป็นได้ก็เป็นได้แค่ทีละอย่างเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เป็นทุกขทั้งนั้น เป็นผู้กลัว ก, ก็ทุกข์เป็นผู้ดีใจก็ทุกข์นะแลนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็พูดอยู่เสมอว่าถ้าไม่เป็นอะไรกับอะไรท่านเราก็ลองฝึกแบบนี้ด้วยนะเล้เพราะฉะนั้นก็นะมีก็มีให้เป็นเป็นก็เป็นให้ถูกนะมันก็จะมีความสุขได้และความสุขที่ว่าก็ต้องก็พร้อมจะวางอยู่เสมอนะอ่ะแล้วก็พอสมควรเกี่ยวกับเวลาละนะครับ